ความปรุงเกิดขึ้นอาศัยสัญญาแปรุงขึ้นมาก็ได้อาศัยเวทนาแล้วปรุงขึ้นมาก็ได้นะเช่นลมมันพัดมาอากาศร้อนๆลมพัดมานะมันมีความสุขขึ้นมีความสุขหันใจก็ปรุงมีราคะพอใจในความสุขหนว ใ, ใจมันปรุงต่อจากเวทนาก็ได้กำลังหนาวจัดเลยนะ ล, ล, ลมพัดมานี่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 งันหน้าที่เราเนี่ยปล่อยให้จิตเขาปรุงไม่ใช่ไปปรุงจิตนะให้จิตเขาทํางานของเขาเองเขาทําอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่มีสติรู้ทันการทํางานของเขาไปเท่านั้นเองเวทนาเกิดขึ้นจิตใจชอบรู้ว่าชอบทุกเกิดขึ้นนะเวสุขเวทนาเกิดขึ้นใจเราชอบรู้ว่าชอบทุกเวทนาเกิดนะใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะรู้ทันลงไป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 ทำอะไรลำบากทุกอย่างเลยนะมีคนให้พระทาตไปนะญาติพี่น้องก็แย่งเอาไปอีกโอ้ชีวิตเป็นขนาดนั้นนะแล้วแต่ทุกเดือนนะจะส่งจดหมายมาฉบับหนึ่งมารายงานการปฏิบัติแล้วทำบุญห้าบาททำบุญห้าบาทมาทุกเดือนเลยคนคนีนะ้แล้วก็ภาคเพียรมากหลวงพ่ก็ส่งหนังสือบ้างอะไรบ้างนะส่งไป ก็พอหนังเขาแต่ตอนนี้เป็นนักศึกษามสทแล้วอยากเรียนหนังสืออยากเลยเนี่ยคือฐานนําบากมากเลยแต่ใจรักดีของพวกเราบางคนฐานดีนะจะใจรักชั่วมีขาแนละ้วมันก็พ า, าเอาขาพาไปเที่ยวในคลับทเที่ยวบาร์เที่ยวฝับนะนี่เดินไม่ได้ยังพยายามจะเรียนหนังสือพยายามปฏิบัติธรรมอาศัยเขาอยู่นะบอ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 ดูให้ชัดตลอดเวลาสิห้ามเบรอนะถ้าลองดูแล้วเราจะพบว่าเราเห็นชัดอยู่ช่วงวูบเดียวอะแล้วตาจะเบร์เบอแล้วต้องปรับรูขัตาใหม่อีกทีหนึ่งแล้วไปดูใหม่ถึงจะชัดขึ้นมาอีกแว บ, บหนึ่งดูออกไหมไม่ตาเขาบังคับไม่ได้ไหมสั่งไม่ได้เดี๋ยดูกันใหญ่รู้สึกแปลกไหม <laughs>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 จะรู้สึกขึ้นมาอาไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ